Book บุกทูเจ็ดสิสี่ตซขอร้องให้ทำอะไรบางอย่าง z a n e k a j pro รซิตคุณช่วยตัดผมให้ผมได้ไหมครับอ l ิมิลากโกโปสตริเ a ซ อย่าให้สั้นเกินไปนะครับแนป e เวชนาซิสั้นอีกนิดนะครับชลบู o ซิช่วยหลางรูปให้ได้ไหมครับอครัซทรูปอยู่ในซีดีครับ ฟอรเดรูปอยู่ในกล้องครับฟอ ร, ราฟสว pa รา t าูช่วยซ่อมนาฬิกาให้ได้ไหมครับอลลคพูปราวททูรกระจกแตกสต lo อชนะแบตเตอรี่หมด แบตเตอรีย่ยาปราสนะช่วยรีดเสื้อตัวนี้ให้ได้ไหมครับอลิลัคโคซลีกเาเตสไรตซ์ช่วยซักกางเกงตัวนี้ให้ได้ไหมครับอลิลัคโคโอชิสติเตคลาเ ช, ช่วยซ่อมรองเท้าคู่นี้ให้ได้ไหมครับอลิลั o p คโปปราวิต เ, เชลเล ขอต่อบุหรีหน่อยได้ไหมครับมิลัคโคดัสเตออกนคุณมีไม้ขีดหรือไฟแช็กไหมครับอมาเจิกาลิเซอาลจาลนิกคุณมีที่เขี่ยบุหรีไหมครับอิมาเตคชนเปเลนิกคุณสูบซิก้าไหมครับ คดีดคุณสูบบุหรี่ไหมครับคดีต่อซิการ์เคุณสูบไปไหมครับคดีตด